ธรรมะคุ้มครองแม้ในความฝันหลวงพ่อสมัยเป็นสา ม, มเณรกำลังเริ่มหนุ่มๆวัยขนองพอนั่งสมาธิปับ๊บจิตมันนึกถึงเจ้าสาวที่ตัวชอบภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอา้าประเดี๋ยวมันก็วิ่งไปหาสาวๆชื่อมันชื่อยายประยูน มันก็ไปนึกประยุนประยุนประยุนแทนพุโทโธมันลงเป็นสมาธิเหมือนกันพอจิตเป็นสมาธิบางทีก็เห็นหน้าเขาบางทีมันไม่เฉพาะแต่เห็นหน้านะสิพอจิตมันสงบสว่างโนนวิ่งไปบ้านเขาเลยจิตมันออกมันไปค้นดูหมดจนกระทั่งภายในห้องนอนและทีนี้บางทีพอไปเห็นแล้วเพราะกิเลสความรักความชอบมันมีอยู่จิตอกุศลมันก็เกิดขึ้น มันคิดจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ขึ้นมามันก็บอกตัวเองว่าสิ่งนี้ไม่ควรแก่เราเราไม่ควรทำจึงมาตีความว่าอ้อนี่หนอทรรมโมหเวรักขติธรรมจาริงธรรมะคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมแม้แต่ในฝันมันก็ยังเตือนเรา ปาติโมกคือหลักการปกครองคณะสงฆ์ศีลเป็นข้อบังคับเป็นพุทธานาเป็นอำนาจของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงบัญญัติเอาไวส้สำหรับกล่อมกล่าวความประพฤติของนักบวชให้มีความละเอียดประณีตยิ่งขึ้นรวมแล้วมีอยู่227สิบกขาบทมีปา ร, ราชิกสสังฆาทิเศษส3สอนิตยะสอง นิสสัตคยะปาจิตตี3าปาจิตตีิ92ปาติเทสนียะสเสขียวัตเจด 75, อธิกรณะสมถะเจ็ 7, รวมเป็น227อันนี้เป็นพุทธานาที่พระพุทธเจ้าวางอำนาจไว้เป็นหลักการปกครองคณะสงฆ์แม้แต่เวลาที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานพระอานนท์ได้ทูลถามว่า ในการที่พระพุทธองค์เสด็จเข้าสู่ปรินิพานแล้วจะแต่งตั้งใครเป็นสัสดาแทนพระองค์พระองค์ก็รับสั่งว่าดูก่อนอานนวินัยที่เราบัญญัติไว้ดีแล้วนั่นแหละจะเป็นสัสดาเป็นครูสั่งสอนพวกเธอทั้งหลายผู้ใดจะปฏิบัติเจริญตามรอยของเราตถาคตต้องยึดมั่นในวินยัยคือศีลให้เครงครัดเพราะธรรมวินัยที่เราบัญญัติไว้แล้ว จะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายพระองค์รับสั่งอย่างนี้